จะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอหันตทนกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยูงตีกันกจายม่ยงชกกันยุ่งย่นั่นไม่มีงยุ่งกันตลอเวลายุ่งเหมือนยงตีกันยุงชกกันจิตของท่านบริสุทธ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 คุมุ่มดกับความยี่งของตัวเองความเดือดร้อนรุดนานตัวเองเิ่งเกิดอุปภานในใจโดยเฉพาะเฉพาะเื่อไม่ชอบไม่ใครยุ่งไม่ชอบไม่ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกพระรหันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยกลดมืยอัจด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมาจิต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 เรียนกรรมฐานทำงาน<ม>ก ร, รมมะแมลย ว, ว่าการกระทธรรฐานะคือที่นี่ทำงานในทานกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ค่ารู้ปิเดชคัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานเสนอเสีสารุมาณขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้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 เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จนถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนพิเรนตัญหาชาะอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนิทหนตทาตัะจตปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันนี้ก็อความเป็นต้นรากาตัวรากาทั้งหมดรวมอยู่ใน น, นี้่านนี้สอนให้พิจารณา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 ท่านสอนกรรมฐ า, านท่านสอนอย่าง น, นี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากายังในจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปดูลำดับทะลุอุปโภคไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารในทานจิตใจเวลาทานานจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเราเนี่ยพอกําหนดตาปั้นนั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด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 สิ่งกดท่วงนึกปกปิดกำลับบงทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเป็มตัวภายในตัวเองนะธรรมโมปดีโปะหมายเป็นอะไรเป็นธรรมถ่าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแทง้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวทิฏประเภทนี้แหละ ท, ที่ที่กล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ํากนหนึ่งใสสะอาดลดถาก้อน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 เพราะจริงต้องกำดากำขาวไปเช่นเดียวกับเจ้ากับท่านทัวโลกตัวสงสาลแต่ตำหนีก็ตำหนีไม่ลงใครต้องการความสุขความวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อีิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จำเป็นต้องงมไปจนเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติพอไปแล้ามันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ